วันนี้เป็นวันแปดค่ำขึ้นแปดค่ำเดือนแปดและก็เป็นวันสำคัญในวัดของเราอีกวันหนึ่งทำไมจึงว่าวันสำคัญคือพวกเราได้นัดแนะนาคากิพี่น้องที่จะมาบวชอุปสมบทในพรรษาปี2550นหยหลวงพ่อเองก็เป็นผู้นัดให้ามาพร้อมกันบวชวันที่ยี่สบคือวันนี้ ก่อนงานทุกอย่างก็สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีบวชวันนี้ก็มีสิบสองรูปมีพระสิบสองรูปที่บวชที่จะจำพรรษาออกประจำพรรษาที่อื่นสองอย่างเดือที่วัดของเราสิบแลว้วก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะเตรียมการเข้าพรรษาก็ให้พระใหม่พระเก่า ที่ียงให้ช่วยชวยดูวิธีการแสดงอ ბ ัตที่จะเข้าพรรษาแนะนําสั่งสอนพระใหม่และก็พร้อมกันก็ท่องคําอธิษฐานพรรษาด้วยมีสองอย่างแตนะ่แต่คมใหม่มากหรอกแต่ถึงจะไม่มากก็เถอะนะแต่ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมมันก็ติดขัดเหมือนกันนะอึ้ง อ, อึ้งอึ้งเหมือนกันเพราะนั้นํานกล่าวทำวัดครูบาอาจารย์ด้วยถ้าเป็นไปได้ จดอจาจรยเยปมาเดนะเทเรปรมาเดนะนะอันนี้ก็ควรจะให้ท่องได้นะเพื่อความท่องไม่ใช่ว่าท่องอะไรก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นะอันนี้พระเก่าผู้เป็นพระพี่เลี้ยงควรจัดชิดเท้กว้างไกลนำพระใหม่ ควรจะทําอย่างไงยังไงยังไ ง, ง, ไงนะใ น, นกระถ้าใหม่ก็เหมือนกันพวกเราก็ามาเพื่อการศึกษาแต่มีถ้าไม่รู้อะไรก็ให้ถามถ้าว่าพระเก่าครูบาแนะนำช่างสอนโดยแนะนําแล้วพวกเราก็ให้ฟังถ้าออฟังแล้วยังสงสัยก็ให้ถามท่านผู้มีอายุพรรษาที่เหนือกว่าไม่ใช่ว่า พระองค์ในองค์หนึ่งครูบาน้อยพูดให้ฟังแล้วก็จะไปเชื่อก็ยังข้องใจสงสัยอันนี้เราก็ต้องถามตามลำดับขึ้นมาหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้ถามได้พอหลวงพ่อเป็นหัวหน้านพวกเรามาเพื่อการศึกษากับหลวงพ่อถ้าว่าส ง, สงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับพินัยก็ถามหลวงพ่อได้หลวงพ่อก็จะชี้แจงให้ฟัง เรื่องภาไในมันมีเขตขอบเขตจำกัดอยู่แล้วถ้าหลวงพ่อลืมหลวงพ่อจะเอาพระไตรปิฎกมากกางพูดให้ฟังเลยไม่มีปัญหาแต่มีแต่เรื่องธรรมเท่านั้นที่เป็นของลึกซึ้งเป็นของละเอียดแต่ถึงอย่างไงก็พวกเราคงจะไม่ถึงขนาดนั้นมั่งพอบวชเข้ามาใหม่หลวงพ่อคงจะรับไหวสำหรับพวก เรื่มแรกพวกปฏิบัติแต่เรื่องอัคร บ, บาลีหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นถามมาอย่นั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนมาทางบาลีเรียนมาทางภาคปฏิบัติถ้าถามมาภาคปฏิบัติตักษาศีนยังไงศีนมีเท่าไหร่สมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงอเออถามมาได้เพราหลวงพอ่อเรียนมาทางนี้ถ้าไปถามว่าบาลีตัวนี้แปลว่ายังไง สับลิแปลว่ายังไงเหออนั้นมต้องไปค้นหาศัพท์ต้องถามมหาป ร, รียาอย่างนั้นแต่ว่าถามในภาคปฏิบัติแล้วถามหลวงพ่อได้หลวงพ่อจะตอบให้ฟังเพราะนั้นพระทุกองนะทุกรูปนะพระใหม่นะให้ตะโกตั้งใจนะในพรรษานี้ตามไม่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกตัดขาดทางนอกอย่าไปยุ่งเหยิงอย่าไปวุ่นวายอย่าไปส่งติดตกไปข้างนอก ถ้าว่าพวกเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกแล้วมันจะมีเรื่องวุ่นวายในจิตในใจหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้แต่ถ้าพวกเราข้าพเจ้าจะบวชสามเดือนตัดทิ้งทั้งหมดข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรในการบวชในครั้งนี้นั่นแหละทีนี่ใจเราตัดออกไปได้แล้วมีธรรมะเข้าสู่จิตใจมันเมื่อ จิตใจไม่เพาะวกะวนไม่กระสับกระสายไปข้างนอกใจของเราก็จะสงบร่มเย็นอุูในร่มผ้ากาสาวพัดก็จะร่มเย็นเพราะนั้นผมเองอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องคิดไปอย่างอื่นถึงยังไงยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราบวชมาอย่างไรมีถุกประสงค์อะไรดูทีเดินทีวันเราก็รู้แกจิตแกใจอยู่แล้ว เราจะไปชิดปุ่งฟุงซานในโง่ทำไมแอพูดอย่างนั้นได้เลยล่ะนะเพราะนั้นให้พวกเราทั้งองตั้งใจทุกทุกพระทุกทุกท่านนะไปอยู่ราสถานที่ใดแอบสำรวมระวังพระเก่าหมวนกันคููบาทั้งหลายเป็นพระพีเลี้ยงให้ดูนะอจะไปทำชักชวนไปในทางผิดไม่ได้นะไปหาคุยกันไปตั้งวงควุยกัน เสียวนาวเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนั้นอย่าให้มีเพราะผมเองเคยเบื่อมาจนพอแรงแล้วเคยพูดมาเกือบทุกปีแล้วเพราะฉนั้นพระเก่าก็ต้องเป็นหลักให้แก่พระใหม่จึงจะถูกนะพระใหม่ก็เหมือนกันเราเข้ามาเพื่อการศึกษาทางโลกเราเคยผ่านมาแล้วมีเรื่องราวผ่านมาแต่เราคราวนี้เข้ามาศึกษาบัตรธรรมะ มาเพื่อสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอั น, นี่ยให้พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นเรื่องทั้งหลายจะไม่มีเรื่องนะแต่ถ้าว่าเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกองนั้นหม่อย่างนั้นองนี่ว่าอย่างนี้พระเอานั้นวางคล้ายคล้าลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเรื่องราว เ, เกิดขึ้นในจิตในใจวันนั้นจะให้มีนะเราไม่ได้ มุ่งหวังมาหาอย่างอื่นเขามาหาธรรมมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาทกตั้งใจภาวนานีะน่ะภาวนาก็นีน่แหละหนังสือถ้าพวกเราอยากจะค้นตำรับตำรากันนี่ห้องสมุดเรามีแต่ตามไ่จิงผมเองไม่อยากจะให้พวกท่านทั้งหลาย เป็นหนอนแทกกระดาษจนมากเกินไปอยากจะให้หมู่ทั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติทำเพราะมีเวลาน้อยเพียงสามเดือนกว่าถ้าว่าเราจะบวชนานไปแล้วเรายังค่อยอ่านตํำรับกําราอ่างอิงอันนั้นตีอีกอย่างหนึง่งก็ต้องมีแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าว่าปรับปรับกันมาอ่านอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าว่าเราอ่านรู้ทางทฤษฎีแล้ว ถ้าทางปฏิบัติเราขาดตัวปกป้องเราก็สงสัยเหมือนกันน่ะสงสัยที่ตําราที่พูดถูกหรือเปล่าฮะสงสัยแผนที่เว่างั้นแต่ทางว่าพวกเราลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแหละท่านเอยังค่อยอ่านแผนที่ตามเราก็อ่านอ่านแผนที่อ่านพอรู้แนวทางลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะอ่านจนละเอียดเราอ่านแล้วอ่านอีตรงนั้นจนท่องได้ไปถึงขนาดนั้น เราอ่านพอเป็นที่เข้าใจสมาธิทํำยังไงวิธีเบื้องต้นทํำยังไงกําหนดยังไงอย่างเนี้ย เ, เวลานั่งสมาธิกันเนี้ยมองพระประธานข้างหน้าเราเนี้ยพระพุทธรูปพุทธปฏิมานั่งอย่างไงนั่งอย่างนี้แหละแต่หลับตานะแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าส่งจิตไปทางนอกพวกเราที่เข้ามาบวช ใหม่วิธีการปฏิบัติชีวิตประจําวันของพวกเรานั้นทํำยังไงอันนี้ก็คือพวกเราก็ได้ศึกษามาหลายวันเห็นครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติจิตวัตรข้อวัดแต่ว่าส่วนลึกนั้นชีวิตจิตวัดประจําตัวหนือประจําวันวิธีการปฏิบัติกับตนเองนั้นทํำยังไง อันนี้ผมจะชี้แจงให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นว่าท่านทำยังไงครูบาแต่ละองค์อาจารย์แต่ะองค์เห็นแต่ออกมาข้างนอกแต่จยูใ่ในกุฏิผู้ดัานท่านทำอะไรคือพระพุทโธกรรมฐานองค์หลวงสายหลวงองค์หลวงตาองหลวปู่มั่นผมจะเอาตั้งแต่นี่แหละ ตั้งแต่ตอนเช้านะแล้วแตตลอด24 24ชั่วโมงอนะทำอะไรบ้างนะคือตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาตีสาอันนท่านถ้าตื่นได้นะนะท่ากำหนดให้ตื่นตีสานะถ้าว่าตื่นไม่ได้มันอีกอย่างหนึง่งมันก็ต้องตื่นตีสนะตีสามครึ่งแต่าตามห้จินท่านให้กำหนดตื่นตีส พอตื่นขึ้นมาเราพวกเราไหวาพ้พนระจะล้างหน้านะล้างหน้าเอาน้ำลูกหน้านะถึงจะไม่ล้างละเอียดกันล้างแตนะ่พอให้หูจแจ้งตาสว่างคือไม่ให้มันงกง่วงนะนะจะน้ําลูกหน้าเสร็จแล้วก็ไหวพ้วพระไหว้พระเราไหว้พระย่อก็ได้พิพิษ ด, ดาลก็ได้สุดแท้แต่ที่เราได้ท่องได้นะ อย่างที่พวกเราไหว้พระอาราหังธรามากราบสามครั้งพุทโธธรรมโมหลวงปู่ล่าท่านให้แถมเพิ่มเข้าอีกว่ากราบพุทโธธรรมโมสังโคนิพานังฆ่าข้าพระเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ไม่ได้กราบเป็นพิธีกราบเพื่อหวังผลิพานหลวงปู่ล่าท่านว่ายอย่างนั้นนะ กาพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานนิพพานก็คือหวังพระนิพานกราบไม่ใช่กราบเป็นเล่นไม่ได้กาบเพื่อเยาะเยะแยะยว่างั้นกาบเพื่อมุ่งหวังพระนิพานไม่ได้กราบเพื่อเป็นพิธีเท่านั้นเมื่อกราบเสร็จแล้วเราก็ไหว้พระอาราหังสมาธิปุตโตปกรวากราบสวะคาโตปกะวาตาธโมกาบสุขติปโนปุะโตสาวะกังโโกะจากท่านกับเราวัญนัโม ว่านโมส่สมจบจับไว้ในแบบพุทธทางทำบางสามทั ง, งก็ได้จากนั้นก็หางสุกิโตโหมิดทำไม่ได้หางสุกิโตโหมิดเราเอาภาษาใจของเราเลยก็ได้ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณอื่นทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา ตนจงเป็นสุข ผ, ผู้อื่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสะุขผู้อื่นจงเป็นสุขอันนี้ก็คือเมื่อไหว้ผ้าจบโรงแล้วอันนี้คือแผ่เมตตานะเอาภาพรวมเลยแผ่เมตตาจากนั้นก็กราบสามครั้งพุทโธธรรมโมสังโฆนิพานังจากนั้นก็นั่งสมาธิเลยทีเดียว น, นะพอ n ั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแลย้วปนมมือปนมมือขึ้นระหว่างกบนะ อย่างพวกเราไหว้พระเนี่ยประนมมือขึ้นระห ว, าห ว, ว่างอกแต่ก็ไหว้โูซะก่อนไหว้โูก็คือพุทโธธัมโมสังโฆคือไหว้พระไตรสรคนคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เราไหว้บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสาสามครั้งคือสามจบจากนั้นค่อยเอามือลง เมื่อเอาเอามือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะภาวนาแผ่เมตตก่อนก็ได้แต่ถ้าว่าจิตใจของเรามันว้าวุ่นขุนมัวมันเกิดมีอารมโมโหโทโศขุมเครืองอะไรอยู่เนะี่ยเราก็แผ่เมตตาในใจของเรานะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนะนี่คือภาวนาในใจสั้งหมดจากนั้น เมื่อแผ่เมตตาโพนาในผ ม, ผ ม, มวิหารแล้วนะเราก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทแล้วเราจะนั่งนานขนาดไหนอันนี้ก็คือนานเท่าที่นานนานเท่าที่จะนานนานมากถ้ามันปวดขาดทํำยังไง มันปวดแข้งปวดขาทํำยังไงอันนี้ก็มีคนถามมีแน่ปวดแข้งปวดขาขยับชี้ามันนั่งไม่นานแต่ถ้าไม่ไม่ได้มันปวดแข้งปวดขาก็ต้องสู้มันบังคับมันบังคับให้มันนั่งนานไม่ใช่ว่าปวดหน่อยหนึ่งขยับปวดหน่อยหนึ่งขยับเอาไปมาจิเลสเรยปวดอยู่เรื่อยทช่ไ้มเรืขยับอยู่เรื่อยแต่ตามไม่จริงถ้าปวดเราก็ต้องขยับบ้าง แต่ถ้ามันขนาดไดขนาดหนึ่งเราก็ต้องบังคับมันเหมือนกับรถเนี่ยแหละรถที่เราจะวิ่งขึ้นถ้าวิ่งในทีราบมันก็วิ่งแต่มันที่เนินเนี่ยทำยงไงมันขึ้นเนินจะทำไงเราก็ต้องเหยียบพันเล่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันปวดเราก็พิจารณาดูมันถือมันปวดตรงไหนพิจารณาถ้าวัด กับอนรมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธถ้ามันปวดมากๆสู้ไม่ไหวเราก็เอาคาหนดเอาติไปดูที่มันปวดเลยน ะ, ะมันปวดที่ตรงไหนมันปวดแรงไหมตรงนั้นเอาจิตไปจับอยู่ตรงนั้นเราถามดูถามใจของเราเยใจของเราเลยไปรับรู้ใช่ไหมมันจึงปวดถ้าคนตายมันจะปวดไหมเนี่ยถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วมันจะปวดไหม มันก็จะตอบว่าไม่ปวดเหมือนกับคนตายแนหะไหนคนตายแล้วจะปวดไหมมันไม่ปวดเพราะอะไรเพราะใจออกจากร่างกายมันไม่ปวดคอนทุบขวานสับมีดฟันไฟเผามันก็ไม่ปวดเพราะอะไรเพราะจิตใจออกจากร่างแล้วอันนี้ใจของเรารับรู้ใช่ไหมถามใจตัวเองจะรับรู้ใช่ไหมมันก็จะตอบว่าใช่ใจของเรารับรู้มันมันจึงปวด คพะนั้นถ้าว่าใจแก้ออกไม่รับรู้ใดไหมกายสักว่ากายใจไม่รับรู้ว่ามันจะให้มันปวดกายสักว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแยกออกจากไม่ไม่รับรู้มันทดลองดูสินี่แหละอันนี้แบบวิธีการแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายทดลองดูที่มันเวทนาที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันคือภาวนาเหมือนกัน ให้เพ่งพิจารณาอย่างนั้นถ้ามันไม่นะก็กาหนดรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทโทพุทธโทไม่ต้องไปชิดบุญฟุ้งไปทางอื่นนะอันนี้แหละวิธีการจากนั้นก็พอจวนสว่างขึ้นมาผลุกมาล้างหนังล้างตาเสร็เรียบร้อยก็เตรียมโมริขานมาซาลาให้มาแต่เช้านะเพราะเร า, าเป็นพระใหม่พระหนุ่มเป็นพระเมียอายุพรรษาน้อยแไม่ใช่ว่าจะให้พระที่มีอายุพัรษา ปูอาสนะให้เรานั่งจัดกระโถนให้เราไม่ใช่นะอันนั้นเดี๋ยวขิจา่าขิจ่า ก, กินหัวนะว่างั้น่ะไมใช้พระผู้ใหญ่ไม่ได้เราเป็นพระผู้น้อยเราต้องทําให้พระผู้ใหญ่มันจึงจะถูกตามอายุพรรษาต่อไปภายภาคหน้าเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็พูดสั่งสอนพระผู้น้อยได้ไม่ใช่ว่าตัวเองบวชเข้ามาแล้วไม่เท่าไหร่ให้พระผู้บาอาจารย์ จัดอาชนะใหนางทำอะไรให้นางไม่ถูกนะไม่ถูกตามพระวินยัยพระวินัยท่านปราบประบัดทุกกฎจนเลยซ้ำไปถ้าว่าไม่รู้จักประมาณใช้ให้ภาพผู้ใหญ่จัดอาชนะให้ตัวเองนั่งเพราะนั้นเราต้องมาให้ได้เวลาพอตื่นขึ้นมาแล้วกันนะมาสลงสะลาจากนั้นก็มาปัดกวาทำความสะอาดอย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหละอย่างนั้นก็ได้เวลาขับไปบินทบาท ถ้าใหม่ครองพ้ายังไม่แน่นไปสายของหลวงพ่อก็ได้เพราะสายหลวงพ่อมันใกล้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะได้สอนวิธีการบินธบั ท, ทํำยังไงจากนั้นพอครองผ้าแน่นแล้วจะไปสายไหนก็ไปได้ทีนี่อันนี้ก็คือเมื่อไปบินธ บ, กบักลับมาเขมาฉันอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละจัดอาหารจัดอาหารกับการจัดอาหารกับ ที่พวกเราจะดอาหารเ่ให้ทั่วถึงกันเวลาใส่บาตรดูให้ดีสังเกตจัดการก่อชั้นอาหารเสร็จแล้วขล้างบาตรพระพี่เลี้ยงก็บอกบอกให้ฟังนะจับบาตรยังไงวางบาตรยังไงบาตรไม่ใช่หม้อนะไม่ใช่กระมังถาาวางในของแข็งเป็นบาตรทุกกฎวางไม่เป็นที่เป็นทางทำให้ศีลของเรา เศาหมองใจของเราเศร้าหมองไปเรื่อยๆแตถ้าเราไม่รักษานะคืออบบตุกข์ ก, กฎนะไม่ไม่ใช่อื่นไกลนะมันผิดเข้าไปแล้วมันเข้าไปทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองมองไม่เห็นศีลธรรมอย่างหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนพระนะท่านว่าอย่าไปล่วงละเมิดอย่าไปเห็นว่าชิคคาบทเล็กๆน้อยๆแต่ไม่สําคัญนะองละองทุลีนั่นแนหะ เล็กๆไม่น้อยมันปิวเข้าตาเราฝุ่นละอองเข้าตาเราทําให้ตาเราฟ้าฝางอันนี้ก็เหมือนกนอารทำปัดเล็กๆไม่น้อยนั่นแหละที่เราล่วงละเมิดทําให้จิตใจของของเราเศร้าหมองจิตของเรามองไม่เห็นธรรมสัจธรรมคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าพเพราะว่าใจของเราเศร้าหมองผิดศีลธรรมผิดพวินัยอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างมองข้ามนะอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สอนพวกเราเพราะนั้นให้ระมัดระวังการวางบาดการวางผ้าทีบอลไว้ที่ตรงไหนอย่างไรไม่ใช่วางกับพื้นอย่าวางบาดในที่จะตกแตกอย่าไปวางบาดในที่แข็งนะทําให้บาดแตกเลื่นวินัยเจี่กับบาดนี่มากนะเพราะในครั้งของพระเทเจ้าบาดเนี่ยเป็นบาดดินเผาเพราะฉะนั้นท่านจะให้ระมัดระวังอย่างมากแต่ทุกวันเนี่เป็นบาดะเตนเล็ก ก็รู้สึกว่าจะอยู่ได้ดีกว่าสมัยครั้งกระนู้นปะวัติครั้งกระนรรนเป็นบาดดินเผาเนี่ยจากบานวางไม่ระมัดระวังก็แตกได้เพราะนั้นพินัยเกี่ยวกับบาดเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดลออ ม, มากทีเดียวอันนี้แหะการล้างบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําความสะอาดเวลาเราถือบาดบาดจะไปทิ้งไว้ที่สารไม่ได้นะเอาบาดไปด้วย แหมไม่ใช่ว่าที่เก็บพายบาดไปเราบาทไว้สลาเก็บไว้สลาไม่ได้เพราะแม่กูบาทจานสายหลวงปู่มั่นไม่ได้เด็ดขาดแหม่ผมไม่เคยเอาห่างบาทออกจากตัวเลยตั้งแต่บวชมาถึงป่านนี้ละแหม่ผมอยู่ที่ไหนผมต้องเอาบาทไว้ไปด้วยมีอะไรขึ้นมากันนั่นบาทน่ะเป็นบริขารแหมไม่ใช่ว่าตัวเองแต่ไปยิงไปที่อื่นบาทอยู่ที่หนึ่งยงปเลเอปเตอรไม่ได้นะแหมบาทต้องอยู่กับตัวเอง อัตราบริฐานแปดต้องอยู่กับตัวเองอย่าให้ห่างจากตัวเองเห็นตะบางองค์นั่นทิ้งบารไว้ที่าลาขี่เกียร์พายบาดโดโถะทำไมถึงถึงขนาดนั้นตัวเองสำคัญขนาดไหนถึงทิ้งบารบริฐานของพระพุทธเจ้าเหมือนกับตัวเองเป็นบุคคลอะไรทำไมจึงทำอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกนะองหลวงตา แต่ท่านอยู่อย่างนั้นบริคานของท่านเอาไว้ที่กุฏิของท่านตลอดเลยน้องปูร่าก็เหมือนกันของผมก็เหมือนกันไม่เคยวางบริคานไว้ที่อื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระบวชใหม่นะพระใหม่พระเก่านะอย่าไปทิ้งบริคานหางตัวเองนะไม่ใช่นะไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่กูบาจารันนะเป็นภาพจีเกียเป็นภาอย่างไงก็ไม่รู้ละ่ะเป็นพระมาอยู่ในหลักธรรมที่ไหน ไม่เป็นพระที่ไม่รับบริขารไม่รับบริขารมันจะรักอะไรฮะมันจะรักการเก่งมันจะรักอะไรไปลักษณะนั้นแหละต่อไปถ่ายพระนาถ้าไม่รักจงรับพักปีรักบริขานของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไปรักษนาอย่างนั้นกระนั้นพวกเราให้รับสงวนหัวแหนบริขานรบริขารจะไปถือว่าบริขานใครนั่นแหะบริขานของพระพุทธเจ้านะ อาบรริษานะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเป็นผู้อนุญาตให้พวกเราได้ใช้เพราะนั้นเราจะไปถือว่าบริหารครูบาอาจารย์บริขารของใครไม่ได้ถือว่าเป็นบริขารของพระพุทธเจ้านี่แหละต้องรักษาให้ดีทั้งบาททั้งกีวรจากนั้นก็เจ็บพอฉันยังนั้นเสร็จแล้วก็เก็บอับไปกุติถ้าจะซัก ผ้าหรือมันมีสกปรกซักพผ้าซะทำไมซักก่อนนะเข้าประจํากุฏิไหวพระสวดมนต์ยอกจากนั้นก็เดินจงกลมสักก่อนก็ได้หรือจะนั่งภาวนาก็ได้หรือจะดูหนังสือก็ได้หึือจะพักผ่อนสักหน่อยก็ได้ตามปัตยาใสจากนั้นก็บ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงนะนัดกันมาดื่มน้ําที่มีอะไรก็ดื่มถ้าไม่ไม่ลงมาก็ได้ ถ้าเราไม่หิวถ้าหิวเอาลงมามาดื่มน้ำจากนั้นก็กลับขึ้นไปก็ปัดกวาดนี่แหละชีวิตประจําวันของปลาะนี่ปัดกวาดทั้บ ร, ริเวณกุฏิของตัวเองต้องปัดกวาดไม่ปัดกวาดไม่ได้เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพวกจัดเลื้อยคานพวกตะเข็บพวกมแมลงปองพวกงูนั่นไม่ให้ไปใกล้กุฏิของเรามดพวกมดพวกอะไรน่ะ กวาดทำความสะอาดให้สะอาดพื้นกุฏิอย่าให้น้ําเข้าไปมันจะชื้นเวลาไปอยู่มันจะไม่สบายเพราะอากาศป็นชื้นต้องอย่าให้น้ําเข้าจะกั้นก็ปัดกวาดพื้นกุฏิให้สะอาดนะสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจนะในี่การเป็นอยู่ของพระจานั้นกุฏิของมันกันอยไม่ใช่บอกผ้าได้ทิ้งเกลื่อนไปหมดไม่ได้นะ ต้องพับต้องทับเก็บให้เป็นระเบียบนะเวลาบาดก็เหมือนกันพอไปถึงพอปิดนั่นก็เป็นพึงนแบกก็พึงแดกถ้าไม่พึงแ ด, ดพกพอถึงไปกดเดี่ยวเราก็เก็บเก็บจนเราสายก็พับมาลงไปในบาดแล้วก็ฝาบาดเขาเปิดไว้สกรเพื่อเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นถ้าอับปิดอับไอยปิดเอาไว้ทําให้มันมีกลิ่นเปิดเอาไว้ลวก ผ้าพาดไว้ข้างบนก็ได้แต่ว่าให้มันมีช่องว่างขึ้นมาได้อยู่เพื่อไม่ให้ปิดทีเดียวแล้วก็สังคาติกีวอนเราจะเอาไว้ที่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งคนละแข่งมาโหนกันเวลามีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้คว้าพื้นไหนกับผืนไหนไม่ได้นะแผ้าไตรทีบอลสามผืนเราเอาไว้ที่ไหนต้องเก็บให้เป็นสัดส่วนแล้วก็บริฐานวนอื่นที่เราจะใช้เก็บให้ดี จากนั้นก็พาโหมเกี็บไว้ที่ไหนทเทียนไขที่รองเทียนไขที่เราจะตั้งจุดเทียนไขก็ให้ระวังให้ระวังนะอันตรายนะพระไฟเคยไหม้พระนะนะในวัดเราเนี่ยนะสองครั้งสองสาครั้งแล้วนะเคยไปจุดไฟเสร็จแล้วตอนะั้นตัวเองนอนหลับผลที่สูงมันไหม้ลุกลามไปเกือบไหม้ตัวเองอาย อ, อันตรายนะ ไม่มีใครบอกใครนะตัวเองแท้ๆนะเพราะนั้นเวลาจะจุดเทียนก็ต้องหาจานรัวหาสังกสีหรืออะไรก็ได้รัวถ้วยก็ได้ไปแล้วก็ตั้งจุดขึ้นมาเวลามันไหมลงไปกับมันลงถึงถ้วยแต่อย่าออาไปใกล้ผ้าเวลาอ่านหนังสือกลางคืนเราจะเป็นนอนผมไม่แนะนำ ให้อ่านหนังสือกลางคืนนะจุดเทียนอ่านหนังสืออย่าไปอ่านทำให้เสียสายตากลางวันเรามีอยู่แล้วเ อ, อ่านหนังสือกลางวันก็ได้แต่กลางคืนเป็นเวลาภาวนาทนะามีไฟฉายจุดเทียนนิดๆได้ห น, น, น่อ ย, น, อยนะนั้นได้อยู่แต่จะจุดอ่านหนังสือแบบเป็นตุกกันตะไม่ได้นะเพราะั้นนไม่ควรจะจุดไฟนะอันตรายไฟไหม้กุฏนะิบางองค์หนึ่งก็นั น, นะอานะ ผ้าห่มหน้าหนาวจากนั้นเอาผ้าห่มไปไฟก็จุดอยู่นั่นเอาผ้าห่มครอบขึ้นไปตัวเองก็นอนหลับผลสุดไฟไหม้ผ้าห่มตื่นขึ้นมาทีไหนมัวเมียพอไฟลุกขึ้นมาไม่รู้จะทํำยังไงแหมันเชื่อได้ไงมันลืมหลงหมดแล้วผลสุดก็เอาตีนเียียบผ้าห่มเพื่อให้มันดับผ้าห่มทุกวันนี่เป็นผ้าห่มในร่อนทนีไหนผ้าห่มใหญ่สังเคราะห์นะ มันเป็นอย่างนะโอมันติดขาติดแข้งที่ไหดูไม่จืดเลยเพราะฉนั้นนั่นะมันเป็นอย่างนั้นนะแตเพราะนั้นที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นเนยเพื่อให้พวกเราระวังไม่ใช่พูดอย่างอื่นนะให้ระวังมันมีเรื่องมาแล้วนะมันหลายครั้งแล้วพระใหม่เนี่ยเพราะนั้นการสืนไม่ควรจะจุดไฟสรุปแล้ว ถูกแค่น้อยที่สุดแล้วกระจุนแล้กระดับใจใจนะอย่าให้มีเรื่องอย่าให้มันมีปัญหานะถ้าไฟไหมอยู่ทางประตูเราจะเปิดที่ไหนลกลางค่ำกลางคืนอันตรายนะตัวเองต้องพึ่งตนเองนะตัวเองต้องครบอบครับนะอันนี้พอถึงกลางคืนมากันน่าละพอตกตอนเย็นพออาบน้ํา กวาดๆทำความสะอาดเสร็จแล้ว ก, กลับไปกุฏิอาบน้ำอาบพระเสร็จแล้ก็เดินโยงกลมอันนี้คือต้องนาทีนะต้องนาทีต้องเดินโยงกลมถึงจะมากจะน้อยก็แค่แต่จุดเทียนเดินจงกลมนะพอจุดหมดเช่นท้นทยโยงกรมเสร็จก็เดินโยงกลมเลยจากนั้นก็สามสี่สองสามทุ่มขึ้นไปก็เป็นนั่งภาวนาไหว้พระอีกไหว้พระเระจ้อรหังสัมมาสวรรค์โตสุปฏิจปโนจนเหมือนกับตอนเช้านั่นแหละ เราไหว้เท่าไหร่ก็ได้ใต้เท่านั้นและจากนั้นก็นั่งภาวนาอีกนั่งปฐมมืออย่างที่ว่าไหว้ครูพุทโธจำโฉโก็นั่งภาวนาสีทุ่มนะตามกำหนดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้พักพรอนคือสีทุ่มสีทุ่มคือเวลาพักพรของของพระนะเนี่ยสีทุ่มเาก็นอนละแี่ก่อนนอนกัน ถ้าเป็นไปได้ก็จะแ็งขวาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ ไ, ไปต้องคิดอะไรทั้งหมดนะจนหลับเนี่ยะจากนักตีสามบุรุษขึ้นมาล่ะทำวิธีอีกไหนะวพ า, าสวดมน์อีกน ะ, ะชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างนั้นนะแล้วทำอย่างนั้นทำไมได้อะไรนะนี่แหละบางคนไม่รู้จักวิธีการ เราได้อะไรเราทำอย่างนั้นแต่ตามไม่ยิงการมาบวชเรามาศึกษาเรื่องอะไรหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่พุทองค์เข้าไปบวชอยู่ในป่าถึงหกปีท่านไปศึกษาอะไรอันนี้เราต้องศึกษาถ้าศึกษาเราจะรู้ว่าเรามาบวชในครั้งนี้เรามาดูใจของเราใจคืออะไรคือนามธรรมที่มองไม่เห็นนะั่นแหละคือความรู้สึกนึกคิดนะั่นแหละ ไอ้ตัวนี้แหะเป็นตัวสําคัญที่หลอกลวงที่เราร้องผมร้องให้ที่เป็นทุกข์เปนร้อนเน่ยเพราใจตรงนี้แหละพาเป็นพาไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้มันดูใจใหมากําหนดดูใจให้ภาวนาดูใจพุโทโธพุโทโธให้ใจมันรวมมาเป็นหนึ่งจากนั้นเราจะได้รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราจะเบรกมันได้ยังไงเราไม่ให้มันคิดได้ไหมเนี่ยอันนี้เรามาศึกษาใจมาศึกษาวิถีทางเดินของจิตวิถีคือ แนวทางที่มันเดินไปยังไงมันคิดยังไงมันปรุงฟุงซันอย่างไรพอเรามาศึกษาเรื่องจิตนั่นเรื่องจิตเรื่องใจนะเราไม่ได้มาศึกษาอย่างอื่นเราไม่ได้มาศึกษาการบ้านการเมืองการเกษตรการวิทยาศาสตร์การปุ่งการเพศวิศวะสถาปนิกไม่ใช่อย่างนั้นเรามาศึกษาเรื่องใจนะมาดูใจมาศึกษาเรื่องวิถีทางเดินของจิตของใจใจของเราเนี่ยแหละ เป็นตัวการสาคัญพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้พ่อใจไม่ใช่ว่าพรุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพ่อกายไม่ใช่นะพระหรหันคําว่าพระหรหันเนี่ยใจของท่านเป็นพระหรหันเมื่อใจเป็นพระรหันแล้วกายของท่านก็เป okay. ็นพระรหันไปด้วยบริขารของท่านก็เป็นพระรหันไปด้วยวัดวาศาสนาของท่านก็เป็นวัดของพระรหันด้วยถ้าว่าใจเป็นพระรหันแล้วดวงดวนอื่นก็เป็นพระรหันไปด้วย แต่ถ้าว่าใจของท่านเป็นกิเลสเป็นผู้มีกิเลสสิ่งทั้งหลายของบริขารของเป็นบริขารกิเลสสารกาิเลสวัดกิเลสประเทศชาติกิเลสมันกิเลสทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ใจําำัดใจให้ดูใจให้ปรับปรุงแก้ไขใจใมโนภุพังขมาธรรมามโนเสถามโนบายาให้จชำระใจมโนเรื่องทั้งหลายก็คือมโนก็คือใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า พวกเราให้มาศึกษาในครั้งนี้ให้ให้รู้จักจุดนะให้รู้จักจุดหมายปลายทางที่เราเข้ามาบวชมาศึกษาเรื่องของใจทใไมเข้าใจให้ถามให้ศึกษ า, เ, าเนืวิธีการปฏิบัติอย่างที่ผมว่านะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้มากทำให้ต่อเนื่องทำให้นานๆต่อไปพวกเราจะรู้ได้วิธีการปฏิบัตินะอันนี้ผมคงจะไม่พูดมาก ผมคิดว่าจะไม่พูดมากถึงขนาดนี้ละวันนี้มันเหนื่อยแล้วแต่ว่าเห็นว่าพระใหม่ชีวิตประจำวันควรจะทาอย่างไรทำให้พูดกันในวันนี้ก็คงจะอีกนานถึงจะได้พูดกันอีกวันนี้ก็เป็นวันพระศรัทธาญาติโยมก็ได้มานั่งไหว้พระสวดมนกบลงไปแล้วตอนนี้ไปก็คิดว่าเลิกกันแล้วนะ